ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเรื่องของความเป็นโสดาบันบุคคลนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศ ก, กว่าทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระองค์เปรียบเทียบกับความเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับความเป็นโสดาบันบุคคลเพราะพระเจ้าจาั ก, กรพรรดนั้น ถึงแม้ตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์แต่เมื่อสิ้นอายุขายจากสุกติโลกสวรรค์แล้วก็ยังไม่รอดพ้นไปได้จากนรกกาเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยนะแต่ตัวความเป็นโสดาบันนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วเป็นเหตุให้เราเนี่ยพ้นจากนรกกาเนิดเดชานเปรตวิสัยได้ซึ่งพระองค์บอกว่าท่านไม่เห็นการจองจาอื่นใด ที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยเพราะฉะนั้นพระองค์พยายามบอกสอนให้พวกเราเนี่ยพ้นจากภพชาติอันเป็นทุกติคือต่ำกว่ามนุษย์ลงไปและตัวภูมิธรรมเครื่องวัดความเป็นโสดาบันพระองค์ยังได้แจกแจงไว้อย่างละเอียดซึ่งคงจะต่างกับความนึกคิดของเรา ที่ปรุงแต่งไปว่าพระโสดาบันจะต้องวิเศษเลิศเลอมีอิทธิปาฏิหาริเห็นนรกสวรรค์หรือทำปาฏิหาริ์ต่างๆได้แต่พอมาดูคุณสมบัติที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั้นกลับไม่ใช่เลยนะเป็นคุณธรรมพื้นพื้ น, น, นธรรมดาธรรมดาเช่นการพ้นจากภัยเวณ5ประการก็คือมีสินหบริบูรณ์นั่นเอง การที่คนคนนั้นมีความเลื่อมใสอันอยางลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยและมีสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยและการที่คนคนนั้นเนี่ยมาเห็นอริยญาณธรรมคือเห็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองใครมีคุณธรรมอย่างนี้ พ้นภายในห้ประการคือศินห้ามีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวเห็นธรรมชาติอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมชาติทั้งหลายพระองค์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั้นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเช่นอะไรเช่นว่าถ้าเรามีความอยากเนี่ยเราลองสังเกตย้อนกลับไปดูว่าก่อนเรามีความอยากเกิดอะไรเกิดก่อน เราจะเห็นว่าเราต้องมีความพอใจเกิดขึ้นมาก่อนความอยากจึงมีมานั่นคือพระองค์ก็บัญญัติว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาความพอใจเป็นเหตุให้เกิดความอยากขึ้นมาและก่อนเกิดความพอใจนั้นอะไรเกิดนั่นก็คือเราจะเห็นว่าต้องมีผัสสะหรือสัมผัสนะตาต้องเห็นรูปหูต้องฟังเสียงจมูกต้องได้กลิ่นก่อน ถึงจะเกิดความพอใจไม่พอใจติดตามมาได้และจะเกิดความอยากและความไม่อยากติดตามมาธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเป็นลำดับอย่างนี้พระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือทรมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นผู้ใดเห็นตรงนี้นั่นก็คือผู้นั้นเนี่ยจะได้ความเป็นอริยบุคคลในขั้นโสดาบัน นิกสุทั้งหลายแม้พระเจ้าจักรพรรดิได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีป ท, ทั้งสี่เบื้องหน้าจากการตายเพราะร่างกายแตกดับอาจได้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับซอนในสวนนันทวันเท้าเธอเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้า อันเป็นของทิพย์อย่างนี้ก็ตามแต่กระนั้นเท้าเธอก็อยังรอดพ้นไปไม่ได้จากนรกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยแห่งเปรตและจากอบายทุกคติวินิบาตภิกษุทั้งหลายส่วนอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้แม้เป็นผู้ยังอัตภาพให้พอเป็นไปด้วยคำข้าวที่ได้มาจากบินทบาท ด้วยปลีแค้งของตนเองพันกายด้วยการนุ่งห่มผ้าปอนๆไม่มีชายหากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยทำสี่ประการเธอก็ยังสามารถรอดพ้นเสียได้จากนรกจากกำเนิดเดรฉ า, านจากวิสัยแห่งเปรตและจากอบายทุกขติวินิบาตภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนั้น เป็นไหน 4. ประการคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันหยางลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าในองค์พระธรรมในองค์พระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าดังนี้ ภิกษุทั้งหลายระหว่างการได้ทวีปทั้ง4กับการได้ทำสี่ประการนี้นั้นการได้ทวีปทั้งสมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของการได้ทำสี่ประการนี้เลยคุณสมบัติของพระโสดาบันดูก่อนขหบดีในการใดภายวนหประการ อันอริยสาวกทำให้สงบรำงับได้แล้วด้วยอริยสาวกประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปฏิยังคสีอริยญยาณยธรรมเป็นธรรมที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ก็พยากรตนด้วยตนนั่นแหละว่า เราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดเดรัจฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกขติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสะแห่งนิพพานมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้ ดูก่อนขหบดีภัยเวณห้าประการเหล่าไหนเล่าอันอริยสาวกทำให้สงบระงับได้แล้ว 1. ดูก่อนขหบดีบุคคลผู้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวณใดในทิฏฐธรรมปัจจุบันบ้างย่อมประสบภัยเวณใดในสำปรรา ย, ยิกในเวลาถัดมาบ้าง ย่อมเสวยทุกขะโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยภัยเวนนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากปานาติบาตทำให้สงบระงับได้แล้ว 2. ดูก่อนขะหะบดีบุคคลผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวนใดในทิฏฐธรรมบ้าง ย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายยิกบ้างย่อมเสวยทุกขะโทมนัดแห่งจิตบ้างเพราะอธินาทานเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากอธินาทานทำให้สงบระงับได้แล้ว 3. ดูก่อนขะหบดีบุคคลผู้ประพฤติผิดในการทั้งหลาย อยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสัมปรายยิกบ้างย่อมเสวยทุกขะโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะกามีสุมิชฌาจารเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากกามีสุมิชฌาจารทําให้สงบระงับได้แล้ว ดูก่อนขหบดีบุคคลผู้กล่าวคำเท็จอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสามประา ย, ยิกบ้างย่อมเสวยทุกขะโทมนัสแห่งจิตบ้างเพราะมุสาวาสเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากมุสาวาส ทำให้สงบระงับได้แล้ว 5. ดูก่อนขหบดีบุคคลผู้ดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งของความประมาทอยู่เป็นปกติย่อมประสบภัยเวรใดในทิฏฐธรรมบ้างย่อมประสบภัยเวรใดในสามปรา ย, ยิกบ้างย่อมเสวยทุกขะโทมนัสแห่งจิตบ้าง เพราะสุรามีระยะปานะเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นๆเป็นสิ่งที่อริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากสุรามีระยะปานะทําให้สงบระงับได้แล้วดูก่อนขหบดีภัยเวรห้าประการเหล่านี้แลอันอริยสาวกทําให้สงบระงับได้แล้วดูก่อนขหบดี อริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโซดาบันสี่ประการเล่าไหนเล่าหนึ่งดูก่อนขะหะบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ 2. ดูก่อนขหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันหยางลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรม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 เพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุตรสีค่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุตรนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแกศั ก, กระที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแกสั ก, กระที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงควรรับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ 4. ดูก่อนขะหะบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายในลักษณะ เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิลูกคลาเป็นศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนี้ดูก่รขะหบดีอริยาสาวก เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์แห่งโสดาบันสี่ประการเหล่านี้แลดูก่อนขหบดีก็อริยญาณธรรมเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแพงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนขหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้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 ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายะสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้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 ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนขหะบดีอริยะญายธรรมนี้แลเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาดูก่อนขหบดีในการใดแลภายวนห้าประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกทำให้สงบรางับได้แล้วด้วย อริยสาวกเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยโสตาปฏิยังขัตเหล่านี้ด้วยอริยญาณธรรมนี้เป็นธรรมอริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยสาวกนั้นปรารถนาอยู่ก็พยากรณ์ตนด้วยตนนั่นแหละว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว มีกำเนิดเดรฉานสิ้นแล้วมีเปรตวิสัยสิ้นแล้วมีอบายทุกขติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสแห่งนิพพานมีธรรมอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าดังนี้แหละ